วันนี้ก็เป็นวันพระวันพระนี่จริงๆแล้วหมายถึงวันพระธรรมนะคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าเป็นวันพระสงฆ์วันพระธรรมที่เรียกนี้ก็เพราะว่าชื่อเต็มของวันพระนีเรียกวันธรรมศาวันนะวันธรรมสาวันนะคือการฟังธรรมวันที่ได้ฟังธรรมเมืองที่ชาวบ้านราก็เรียกวันศีลนะ วันศีลนี่ก็หมายถึงวันที่มาจำศีลหรือมารักษาศีลก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่าได้บุญยิ่งกว่าการฟังธรรมซะอีกนะมารักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรมนั้นพอมาถึงวันพระนี่ชาว บ, บ้านเรามาถวายจังหันก็ควรมีโอกาสได้ฟังธรรมด้วย มันจะได้เป็นวันพระอย่างแท้จริงคือวันที่เราได้มาฟังธรรมธรรมะสาวนะฟังธรรมนี่ก็ได้บุญหลายนะเป็นบุญที่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการฟังธรรมเรียกว่าธรรมะสาวนะใหม่ธรรมะสาวน่ะใหม่คือบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันนี้ก็มีื้อในสง์มากกว่าการถวายทานพูดถึงการถวายทานก็ ก็ต้องถวายทานให้เป็นนะการถวายทานที่ได้บุญมากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงนะมีเรื่องเล่าว่าในแสวพุทธการ่มีพราหมณ์คนหนึ่งก็อยากจะนิมนต์พระมามารับทานก็คือเลี้ยงพระง่ายๆนะ แต่ปรากว่าเมียนี่ก็ไปนิมนต์ได้เนรมาได้เนรมาเสียรูปนะพรามก็ไม่พอใจก็บอกว่าไม่เอาเนรนะไปนิมนต์พระมาพอไปนิมนต์พระมาพระมาเจอเห็นเนรกาลังนั่งอยู่พระก็ไม่พอใจก็เลยออกไปนะเลยกลับไป พราม์ก็เลยโมโหนะบอกว่าไม่เอาละนงเนนนงเนีนเน่ยไม่เอาไปเอาไปเอาไปเชิญพราม์ไตรเพศพรามไตรเพศคือพราม์ที่รู้เรื่องไตรเวทนะมาก็ในเรื่องก็บอกว่าพระอินนี้ก็ปลอมตัวมาเป็นพราม์ไตรเพศพอพรามไตรเพศมาถึงพรามก็เจ้าของบ้านก็จัดที่พักให้ใหจัด อาสนะให้อย่างดีสูงกว่าเนนนะเพราะก็ว่าพรามตายเพศมาถึงแทนที่จะนั่งบนอาสนะที่จัดไว้จัดไว้ให้ก็มานั่งบนพื้นแล้วก็กราบเนนนะพรามเจ้าของบ้านก็ตกใจอุยเกิดอะไรขึ้นแล้วพรามตายเพศซึ่งก็คือพระอินทร์นะก็บอกว่าการถวายทานนะอย่าเจาะจงนะ คือต้องจอจงก็ต้องเป็นพระเท่านั้นนะอันนี้ไม่นะจะถวายกระเนงก็ได้นะถวายกระเนงก็ได้บุญเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องนะที่สอนให้เรารู้ว่าสำหรับชาวพุทธนี่นะการถวายทานนี่ควรถวายแบบไม่เจอะจงนะไม่เจอะจงก็คือว่า ถวายทานกันเนงก็ไดนะ้เดี๋ยวนี้เราไปคิดว่าต้องถวายทานกับพระสงฆ์ถึงจะได้บุญนะก็เลยปล่อยปะละเลยละเลยเนงนะนะที่นี่เราไม่มีเนก็จริงนะแต่ว่าก็ให้รู้ไว้นะว่าการถวายทานเนี่ยที่มีอ น, นิสงส์มากคือการถวายทานแบบไม่จาดจงแม้กระทั่งกับพระด้วยกันนะก็เหมือนกันนะอย่าไปจอดจงว่าโอ้หลวงพ่อองค์นี้นี่ท่าน เป็นพระ อ, อริยเจ้าเป็นพระอราหารันต์หลวงพ่อองค์นี้ท่านมีอภินยาหกมีฤทธปฏิหารก็ถวายท่านหรือเห็นว่าท่านเป็นเกียรติอาจารย์ก็ถวายส่วนพระรูปนี้นี่ไม่รู้จักก็ไม่ถวายอันนี้เรียกว่าเป็นการถวายแบบเจาะจงได้บุญน้อยในสายพุทธการก็เหมือนกันนะมีเศรษฐีคนหนึ่งนะชื่ออุคตะเศรษฐีก็เป็นคนที่มีธรรมะ แล้วก็มีศรัทธาในพระศาสนามีศรัทธาแล้วก็มีธรรมะนะมากนะธรรมะนี่ถึงขั้นอนาคามีนะเทวดาก็เคารพสักการะเทวดาวันหนึ่งก็เห็นอุคตะเศรษฐีเนี่ยทำบุญถวายทานกับพระเยอะแยะไปหมด แล้วก็เป็นการถวายแบบไม่จอดจงไม่เลือกถวายเท่าเทียงกันหมดเทวดาหวังดีก็บอกว่าเนี่ยพระองค์นี้นี่ท่านมีคุณวิเศษนะมีวิชชาสามนะองค์นี้นะมีอภิน ญ, ญาหกนะองค์นี้มีศีลดีนะองค์นี้ศีลไม่ดีนะคือบอกเพื่อให้ท่านเนี่ยจอดจงถวายกับพระที่มีคุณวิเศษแต่อุคตัก เศรษฐีก็ไม่สนใจนะไม่สนใจคำแนะนำของเทวดาเพราะว่าท่านมุ่งที่จะถวายทานกับพระสงฆ์อย่างเท่าเทียมกันไม่เจาะจงนะว่าต้องถวายทานกับองค์นี้เท่านั้นองค์นั้นไม่ถวายนะอันนี้ม่ใช่วิสัยของอุคตะเศรษฐี พระเจาก็สารเสริญ น, นะพระว่าอุกตเศษสีนี่เป็นเอตทักคะคือผู้ที่เป็นเลิศในเรื่องการถวายทานกษัตร์ก็คือว่าถ้ามีศรัทธานะไม่เลือกหน้าถวายเท่าเทียมกันหมดนะเพราะว่าท่านให้ความสำคัญกับหมู่สงมากกว่าตัวบุคคลอุกตเศเสถีนี่ก็น่าสนใจนะพื้นเพยก็เป็นคนที่เรียกว่าชอบเที่ยวชอบเล่นนะ ถ้าเรียกสมัยนี้คือเป็นเพลย์บอยนะมีเงินเยอะก็เลยเที่ยวเล่นนะกินเหล้าเคล้านาลีเพราคิดว่าตายไปก็ไม่ได้เสพไม่ได้เที่ยวเพราะฉะนั้นชาตินี้ฉันก็เที่ยวให้เต็มที่มีช่วงหนึ่งกินเหล้าเมามายแล้วก็เที่ยวผู้หญิงปรากฏว่าไปเจอพระพุทธเจ้าครัพระพุทธเจ้าเสด็จมา พอเห็นพระพุทธเจ้านี่หายเมาเลยความเมานี่หายทันทีเลยเหมือนกับว่าคงมีอะไรผูกพันกันมาก่อนพอเจอ พ, อพอระพุทธเจ้านี่หายเลยสติกลับมาเลยเสร็จแล้วพอได้ฟังธรรมจากพกระพุทธเจ้า ก, ก็บรรลุ ธ, ธรรมนมีนะนประเภทที่เมาเมาเนี่ยพอเจอพระองค์นี่หายเมาพอได้ฟังธรรมนี่บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอนาคามีเลย แล้วก็พอบรรลุธรรมแล้วคราวนี้เรื่องผู้หญิงเรื่องเรื่องเล่านี้เลิกเด็ดขาดนะมีอนี่ก็ให้เป็นก็ให้เป็นอิสระมีนางฟ้อนนางรำที่เคยเลี้ยงดูก็ปล่อยนะให้เงินให้ไปตั้งตัวทร ม, มาหากินไม่เอาละนะ <S <S <S <S ฉันจะฟังทำปฏิบัติทำอย่างเดียวนะแล้วก็มีทรัพย์ก็ ถวายทานให้กับพระสงฆ์นะก็เรียกว่าไม่จอดจงก็คงจะรวมถึงเนนี่แหละนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอุบาสกนะที่เรียกว่าบรรลุธรรมขั้นสูงท่านก็รู้ว่าการถวายทานเนี่ยนะกับพระสงฆ์เนี่ยที่ดีคือไม่จอดจงนะนะพวกเราชาวพูทเดี๋ยวนี้เราก็จาะจงมากนะ ยิ่งที่ไหนมีพระอาหารหันต์ได้ขาวมีพระาหนก็ไปกันที่นั่นนะบางทีพระที่อยู่ใกล้บ้านก็ไม่ได้สนใจก็ปล่อยให้ท่านลำบากอันนี้ก็ไม่ถูกนะแต่เรื่องจากการให้ทานแล้วการให้คำสอนการให้การศึกษากับพระนี่ก็สำคัญนะก็ต้องช่วยอุดหนุนท่านด้วยนะพูดถึงเรื่องการให้ทานเนี่ยนะพระเจ้าได้ตัดไว้นะว่าการให้ทานเนี่ย ที่มีอ น, นิสงส์น้อยคือให้ทานด้วยจิตด้วยใจที่มีเยื่อใยด้วยจิตที่ผูกพันนะรวมทั้งให้ทานเพราะหวังสั่งสมบุญหรือว่าหวังสวยสุขในพบหน้าถามตัวเราเองว่าเราให้ทานแบบนี้หรือเปล่านะให้ทานด้วยใจที่มีเยื่อใยจิตผูกพันหรือว่าหวังสั่งสมบุญนะสวยสุขในพบหน้า หลายคนให้ทานเพราะอยากจะไปสวรรค์หลายคนอยากจะให้ทานเพราะว่าจะได้ร่ำรวยถูกหุห้ยรวยเบอร์นะอันนี้ก็ได้บุญนะแต่ได้น้อยนะหรือให้ด้วยใจที่มีเยื่อใ่เจ็บผูกพันเช่นว่าเจาะจงให้คนนี้เพราะว่าเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาตินะเป็นคนรู้จักนะหรือว่าเป็นคนที่ฉันศรัทธาอันนี้ก็ได้บุญน้อย หรือว่ามีจิตผูกพันมีเยื่อใยในสิ่งที่ถวายเช่นถวายทานให้หลวงพ่อถวายอาหารอย่างดีให้หลวงพ่อก็คอยดูว่าท่านจะชันของชั้นไหมนะถ้าคิดแบบนี้ก็เรียกว่าได้บุญ น, น้อยนะเพราะว่ายังมีความรู้สึกว่าเป็นของชั้นอยู่ถวายให้ท่านไปแล้วก็ให้ไปเลยนะถือว่าเป็นของท่านไม่ใช่ของชั้นหรือของเราเวลาถวายจีวรท่าน ก็ไม่ต้องไปดูว่าท่านจะห่มจีวครคลองจีวรของเราไหมเพราะว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นของท่านนะถ้าให้ด้วยใจที่มีเยื่อใยแบบนี้เนี่ยมันได้เป็นอนิสงส์น้อยนะเราให้ทานแบบนี้หรือเปล่านะให้ทานแล้วยังตัดไม่ขาดนะยังคอยดูว่ายังคอยคิดว่าเป็นของชั้นอยู่นะอาหารของชั้นจีวรของชั้นนะหมวก หมายพรมของฉันถวายท่านไปแล้วก็คือให้ไปเลยตัดขาดไม่มีเยื่อใหญ่แล้วอย่างนี้เรียกว่าได้บุญหรือว่าให้โดยที่ไม่ได้หวังว่าฉันจะได้อะไรนะไม่ได้คิดหวังสะสมสมบุญเหมือนกับสะสมเงินในธนาคารนะหลายคนก็คิดแบบนี้นะอยากจะให้เพื่อจะได้สะสมบุญเยอะๆเหมือนกับสะสมคูปองนะสะสมคูปองจะได้ไปแลกไปขึ้นเงินได้ไปขึ้นเอาของตามห้างได้นะ มีคนก็คิดแบบนี้นะสะสมทําบุญมันก็สะสมบุญเหมือนกับสะสมคูปองนะไปและเอาส่วนลดหรือไปขึ้นของตามห้างอันนี้ก็ได้บุญน้อยนะหรือว่าให้ทานเพื่อว่าหวังจะได้ไปเกิดในสวรรค์นเนี้ยอันนี้ก็น้อยเหมือนกัน ถ้าจะให้ทานก็ให้โดยที่ไม่หวังอะไรเข้าตัวเลยนะมุ่งประโยชน์ของผู้รับนะอันนี้เรียกว่าเป็นการให้ด้วยใจที่ลดละได้บุญเยอะนะเป็นเป็นการทาบุญที่ใกล้ใกล้พันิพาณ น, นะเวลาทำบุญนี้ก็อย่าไปอยากได้นนท์อยากได้นี่นะถ้าจะทาก็เพื่อการลดการละอย่างนี้ก็จะได้เข้าใกล้นิพพานเรื่อยๆ ภาษาลิบุตรเนี่ยเคยตัดไปนะเคยพูดไว้ว่าบัณฑิตนะบัณฑิตเนี่ยไม่ให้ทานเพราะหวังอุปธิสุขอุปธิสุขคือโลกียสุขนั่นเองเช่นอายุวรนนัสุขาภละบัณฑิตย่อมไม่ให้ทานเพราะหวังอุปธิสุขหรือหวังการเกิดใหม่เกิดใหม่เช่เนไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงชั้นดุสิตเนี่ยไม่ใช่นะ มาติดให้ทานเพราะหวังการไม่เกิดให้ทานเพราะมุ่งลดละกิเลสแล้วก็มุ่งการไม่เกิดไม่เกิดคือว่านิพพานนั่นเองนะพวกเราก็มาพิจารณาดูว่าเราให้ทานแบบไหนให้ทานเพราะว่าหวังโล ก, กีสุขหวังการเกิดใหม่หรือว่าให้ทานเพราะหวังมุ่งลดละกิเลสมุ่งการไม่เกิด ยิ่งได้ให้ทานด้วยใจที่มุ่งนิพพานเลยยิ่งดีนะนิพพานปรจัจโยโหตุอธิษฐานสั้นๆขอให้เป็นปัจจัยไปสู่นิพพานนะแค่นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็สิ่งที่ทำนั่นแหละนะก็จะช่วยเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพานได้เร็วขึ้นไวขึ้น พระาเลือดก็พูดเหมือนกันนะว่าเนี่ยบัณฑิตนะเมื่อให้เมื่อมีใจน้อมไปในพระนิพพานนะมีใจใฝ่ในนิพพานในภาวะที่สงบเย็นจึงให้ทานก็ย่อมมีนิพพานเป็นที่หมายนะเหมือนกับแน่น้ำนะก็ย่อมไหลไปสู่ทะเลนะนถ้าเราให้ทให้ ทานหรือว่าทําบุญเป็นนะเราให้ทานโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเข้าตัวเลยโดยเฉพาะหวังสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความสุขแบบโลกโลกนะอายุวนันณาสุขขาดภาร ะ, ะความร่ํารวยความมั่งมีความสาเร็จการมีชื่อเสียงเนี่ยไม่ได้มุ่งอย่างนั้นแต่มุ่งเพื่อประโยชน์ของผู้รับมุ่งเพื่อลดละกิเลสนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ทานหรือการทําบุญชี่ฉลาดนะเป็นวิสัยของบัณฑิต เพระเราก็ให้ทานกันมามากนะก็ต้องรู้จักการให้ทานหรือการทำบุญที่ถูกต้องด้วยหรือว่าเป็นการทำบุญให้ทานที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะนั้นเราจะให้ทานแบบนี้ได้เนี่ยนะมันก็ต้องรู้จักการรู้จักธรรมะนะก็ต้องสดับตับฟังธรรมะนะจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรอะไรไม่ท น, นี้พอรู้เราก็จะได้ทำถูกนะ ทำถูกแล้วจิตใจแล้วก็จะเกิดความเจริญชีพก็จะเป็นสุขได้เราก็เตรียมรับพร